นมัส ก, การครับพรอาจารย์ครับอระอาจารย <Okay. S 2> ์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับผมเสียงพระอ <Okay. S 2> าจารย์ก็ชัดเจนครับหวังว่างคงจะรับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ <laughs> ครับ กราบขอบพระคุณควเมตตาพระอาจารย์ครับผมวันนี้มีขกขักหลายอย่างสายอินเทอร์เน็ตบ้านผมก็เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อกี้ไหมครับพอาจารย์ครับโลขออนิจจาก็อย่างนี้นะไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนลองปรับไปตามสภาพครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับงั้นเริ่มเลยนะครับผมขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับคือคําว่าเวทนาเนี่ยนะครับผมได้ยินในขันห้าก็ได้ยินเวทนา ได้ยินในสติปัฏฐานสี่ก็ได้ยินคาว่าเวทนาได้ยินคาว่าน่าสมเพศเวทนาก็ได้ยินครับอาจารย์ผมก็เลยอยากจะทราบถึงความหมายของเวทนาที่แท้จริงอะครับอาจารย์ว่าคืออะไรครับผมเวทนาในภาษาของทางของศาสนานะก็คือความรู้สึกเป็นหนึ่งในขันสี่หรือหนึ่งในขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญา ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในรชาญพวกเราทุกคนเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานเป็นทีมทำงานประสานกันดังั้นคำาเวทนานี้ไม่ได้หมายความว่าสนเพศน่าสงสารไม่ใช่ น, นั้นเป็นคำภาษาไทยที่ใช้ แต่คำํำภาษาของศ า, ศาสนาหรือของพระนี่ภาษาภาษาธรรมานี่แปลว่าความรู้สึกซึ่งมีอยู่สามแบบรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเวลาเราหิวนี่เรารู้สึกว่าทุกข์เวลาเรารับประทานอาหารอิ่มนะเรารู้สึกว่าสุขเวลาที่เราไม่หิวไม่อิ่มนี่เรารู้สึก เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือเวทนาที่เราจะสัมผัสกันสิ่งที่ทําให้เกิดเวทนานี้ก็คือการสัมผัสของอายทะนาภายในกับอายทนะภายนกอกายทะนะภายในก็มีอยู่หกตาหูจมูกนิ้วกายใจอายตะนาภายนอกก็มีอยู่หก เรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะและธรรมอารมณ์เมื่ออายตนาหเหล่านี้ที่สัมผัสเป็นคู่คู่กันรูปสัมผัสกับตาเสียงสัมผัสกับหูเมื่อมีการสัมผัสกันก็มีวิญญาณผู้ที่รับรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะและธรรมอารมณ์นี้ไปสู่สัญญาสัญญาก็จะแปลความหมายของรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะว่า ดีไม่ดีหรือถ้าไม่รู้ก็เฉยๆเป็นตามบางทีรูปไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เสียงไม่เคยได้ยินมาก่อนก็อาจจะไม่รู้ว่าดีแลอไม่ดีแะรูปเสียงกิริที่เคยเห็นเคยสัมผัสมาแล้วจะจำได้ก็จะรู้ว่าดีและไม่ดีพอสัมผัสกับอายะรูปเสียงกิรสยทัปทะธรทำามรมณ์ที่ดีสุขเวทนาก็เกิดขึ้น ถ้าสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าทำอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจก็เกิดความทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่ า, าที่เป็นกลางกาง ก, ก็เกิดเวทนาที่เป็นกลางกางคือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นหนึ่งนี่คือที่มาธิ่ไปของของเวทนา ที่หลักของการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์แก่ใจเราเมื่อเวลาที่เราเมื่อใจได้มาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์ซึ่งปกติถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบททัติธรรมนี้เราจะมีปฏิกิริยากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์ที่ใจไปสัมผัส ร, รับรู้เข้า ถ้าดีก็จะเกิดภาวะตันหาอยากให้เวทนาหรืออยากให้สิ่งคือรูปเสียงกิริยผลสะพาะนั้นอยู่ไปนานๆพอเกิดภาวะตันหาขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความกังวลกระวายใจขึ้นมาเกิดความกังวลเกิดความโผงใหญ่ขึ้นมาว่าจะอยู่ไปนานๆได้หรือไม่ ในทางตรงกข้างถ้าไปสัมผัสกับรูปสิ่งกิรืยทัศน์ธรธรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจที่ไม่ชอบก็จะเกิดวิภาวะทหาขึ้นมาอยากให้มันหายไปเร็วๆพอเกิดวิภาวะทหาขึ้นมามันก็สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาใ น, นการปฏิบัติของของพวกเรานี้คือเราต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องไม่ให้เกิดภาวะทหานึก ว, วิภาวะทหาขึ้นมา ด้วยการใช้สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติับเลือกเสียงเกียรถิวัตโะแบบไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาคือไม่เกิดความอยากไม่เกิดภาวัทนาหรือวิภาวัทนาขึ้นมาในการสร้างอุเบกขาจากสมาธิให้จิตนี้วางเฉยมีความอิ่มในตัวของตัวเอง แล้วพอลาสัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสขวดธัพพธรรมรงก็า จ, ากจะจะเกิดความอยากขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งภาวะนหหรือวิภาวตนาขึ้นมาถ้าเกิดก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่ารูปเสียงกยลิ่นรสวดธัพพะธรรมรงนี้ไม่เที่ยวเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับ เนอนัตตาเป็นภาวะของธรรมชาติเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้ปล่อยวางสภาวธรรมเหล่านี้เสียเพราะถ้าเราไปยุ่งกับเขาไปอยกให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาในอริยสัจสี่ความทุกข์ในอริยสัจสีนี้ไม่ใช่เวทนา เป็นความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยาก ง, งนั้นการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาละรับภาวะตัณหาการมาตัณหาภาวตัณห า, า, หาและวิภาวตัณหาที่ใจไปมีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โดยไม่รู้ความเป็นจริงหรืออาวิชาความหลงไม่รู้ว่า การไม่มีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นที่เราพวกเราโชคดีมีคนตัดสิน ค, คือพระพุทธเจ้ามารู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไปมีตัณหาทั้งสามกับรูปเสียงกลิก่นรสผลทพะและธรรมโลกถ้าเราไม่อยากจะ ให้มีความทุกข์ใจของเราเราก็ต้องอยากไปมีความอยากรับลูกเสียงกินลดผลธรรมะปล่อยให้เขาเกิดให้เขาดับปล่อยให้เขามาให้เขาไปตามตามสภาพของเขาเพราะเขาเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้ากับฟ้ากาบเราไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาใช่ไหมฝนจะตกแดดจะออกแม่จะมาปกคุมทำให้เกิดรูฟ้ามัวฝน เราก็เฉยๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ได้ฉนั้นใดปัญญาก็จะสอนให้ว่าเราเห็นว่าอยายตนะภายนอกที่จิตเราที่เราไปสัมผัสรับรู้ที่เกิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์อย่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับเขาได้ในบางโอกาสาเราอาจจะจัดการกับเขาได้แต่บางโอกาสเราจะไม่สามารถัดจัดการกับเขาได้ถ้าเราไม่สามารถจัดการกับเขาได้เราก็จะทุกข์เะฉะนั้นเราควรจะฝึกจิตใจอย่าไปยุ่งกับธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับสภาวธรรมอย่าไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมา ปล่อยให้เขาเกิดดับไปตามเรื่องของเขาเรให้ตั้งจิตอยู่ในอุเบกขาให้สัตตวัรู้แล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดในใจของผู้ปฏิบัติอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติทำสนุบลงที่เนี่ยอยู่ที่วิธีการปฏิบัติกับอายตนะทั้งหกว่าเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรที่จะทําให้ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขา ก็คือปฏิบัติด้วยการปล่อยวางอย่าไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทันทีที่เกิดความอยากนี่ยังไม่ได้ไปจัดการเขาเลยใจเราก็กวนกังวลวุนาวา่นวายใจขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าจัดการไม่ได้ก็ยิ่งทุกขนักขึ้นไปเสียใจหรือพยายามจะรักษาสิ่งที่เราอยากให้อยู่พอเขาจากไปเขาหายไปก็ เ, เกิดความเศร้าสศกเสียใจขึ้นมา แต่ถ้าเราใช้สมาธิและปัญญาสอนให้ใจรู้ว่าการประยุ่งกับสภาวะธรรมเหล่านี้จะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ ว, วรู้เฉยๆไปกับทุกสิ่งทุกอย่างเรารับประกันได้ว่าความทุกข์จะไม่เกิดเช่นเสียงดา่าก็ปล่อยก็ด่าไปเราก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาฟังไว้รับรู้ว่าปนเสียงดา่า หรือว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปะจัดการเป็นกําจัดเขาได้ก็ปล่อยให้เขาด่าไปเชาะชมก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปดีใจอยากไปอยากให้เขาชมไปตลอดเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขามิตรชมเราไปตลอดเวลามันดีกันดีเขาอาจจะโกรธเราขึ้นมาเราทำอะไรผิดพลาดไม่ถูกใจเขาก็จะโกรธแล้ด่าดเราได้ นี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับเวทนาทั้งสามที่เกิดจากการสัมผัสของอยายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในท่านนี้พูดพอจะเข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์ครับเปที่ักคำว่าศัก์แต่ว่ารู้นะครับพอาจารย์บางก็ บางทีมันก็คิดขึ้นมาได้มันก็เบาจริงๆนะครับแต่หลายๆครั้งมันก็ยังสักแต่ว่ารู้ไม่ได้แต่พระอาจารย์แนะนําวิธีฝึกได้ไหมครับมาทํายังไงให้สักแต่ว่ารู้ได้ตรงนี้ฝึกสติฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆอย่อยางถ้ามันเป็นเป็นนิสัยขึ้นมบสักแต่ว่ารู้เป็นนิสัยขึ้นม า, นนนนมาแในเวลาถ้ามันเผลอมันไปอยากขึ้นมาก็าให้ใช้ปัญญาสอนว่ญญาอย่ญญาไปอยากอย่ากแล้วจะกิดทุกขขึ้นมา กลับมาอยู่ที่ศัก์แต่ว่ารู้ดีกว่าครับผมดันั้นขั้นต้นนี้ต้องไปายามฝึกสติให้มากอย่าให้เผลอเลยเมื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายได้นานเมื่อเราจะมีอ่เบกขาหลอเลี้ยงจิตใจหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาในละในระยะหนึ่งพอเราเลื่อนอุเบกขาเราหายไปแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิไปแต่อุเบคขาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าเราสามารถที่จะทำให้มีอุบเบคขาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาหรือหรือมีก็เผอบ้างแต่เล็กน้อยพอเผอแล้วกเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็สอนให้ใจว่าให้ปล่อยวางอย่าไปอยากกับอย่าไปยุ่กับสภาวธรรมทุกอย่างเป็นสภาวธรรมหมดอย่าไปยุ่งกับรูปเสียงกีิรตร้อยาพดตัวพระธรรมโมซึ่งบางทีเราไม่ได้มองเห็นเขาว่าเป็น ธรรมชาติเรากลับไปมองเห็นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่เราสามารถที่จะคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้แต่ที่มันปรับไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ปรับใจเราในกา ง, ง่ายดีไม่ต้องไปปรับเขาให้เสียเวลาเขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าออกไปเขาจะชมเราก็ปล่อยเขาชมไปเราอย่าไปติดกับคําชมคาาําด่าของเขาเแล้กันนั่นเราจะไม่ทุกข์กับเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น อาจารย์ครับอย่างนี้เวลาที่เรารู้เวทนาว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นเวทนาในสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วเวลาเกิดธรรมอารมณ์ก็เป็นเป็นธรรมอารมณ์ในจิตนะครั บ, รบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเข้าใจกระจ่างนะครับผมจะไปฝึกศักแต่ ว, ว่ารู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับดเดี๋ยวขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนนะครับ จากคุณพีโกครับเปี่ยนถามพระอาจารย์เรื่องความหลงเราหลงอะไรและเราจะไม่หลงได้อย่างไรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับความหลงนี้ท่านแสดงไว้ว่ามีอยู่สามลักษณะหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยวว่าเที่ยวหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหลงในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตน พอหลมหน้าเราก็เลยคิดว่าเราจะสามารถที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆได้พอจัดการไม่ได้แล้วก็ทุกช่วงนึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การความต้องการของเราได้แต่ไม่ใช่าก็เลยมันก็จะต้องเจอเหตุการณ์ที่มันเหนือสุดก็เรียกเหนือวิสัยหรือสุดวิสัยขึ้นมา เช่นโลคภัยแค่เจ็บจะเก่งขนาดไหนจะรวยขนาดไหนเยวเจะโลคมะเร็งเข้าทีนี้ก็กามันิจัดการกับมันอย่างไรนะวิธีจัดการก็มันวิธีที่ไม่น่าไม่น่าดูไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าอยู่ดีทั้งสองอย่างเช่นรักษามันก็เจ็บปวดทรมานหรือปล่อยให้มันตายไปมันก็เจ็บปวดมันก็ทั้งเลือกมันไม่ไม่มีเลยนะ แต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางให้มีอยู่บกขาปล่อย ม, มันรักษาก็ได้ตายก็ได้มันก็ไม่ทุกข์ยังต้องพยายามศึกษาแล้วให้เห็นใจรักอย่าไปเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจรักอย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่งแท้แน่นอนอย่าไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับเรือกครอบครองไว้ได้ตลอด อย่าไปเห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดวันดีคก็ดีสิ่งนั้นนี่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไดา้นี่คือวิธีแก้คำอย่าไปมองเห็นว่าทุกสิ่งว่าเป็นนิจจังสุขังนักตาให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอยากเป็นอนิจจังทุกขังนักตาอย่างคุณสี่ครับกาศรัตนสการพระอาจารย์ค่ะหนูเขากาดถาม ข้อที่หนึ่งอุบายการแก้ความโกรธคะ่ะแก้ความโกรธก็ถ้ามันโกรธแล้ววิธีจะดับมันก็คือให้ท่องพุทโธพุทโธไปอยา่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธหรือบุคคลที่ทําให้เราโกรธหรือโยนเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปพรเราสามารถทําได้ชักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธได้ แล้ววิธีป้องกันอา่าาวต่อไปไม่ให้มันเกิดก็คือเราต้องลดความอยากของเราลงเพราะความอยากของเรานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราโกิดอยากให้เขาทาสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเขาไม่ทาเราก็โกรธอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็โกรียดยิง่งพยายามลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปอย่าไปหวังจะได้อะไรจากใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือบุคคลหรือหรือ สภาว่ารมว่าตนปล่อยให้เขามาตามมีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่ค่อยโกรธถ้าเราหวังเราอยากให้ได้แล้วพอไม่ได้เราจะโกรธเราจ ะ, จะเสียใจข้อที่สองครับการเจริญพรมวิหารสี่แบบไหนที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองคะคือนี่แหละก็ถ้าเรามี พรมิหารสีจริงๆเนี่ยมันจะรู้จักวิธีใช้มันให้มันสมดุลคือไม่ทำร้ายตัวเราเองแต่ก็ถ้าถ้าช่วยผู้อื่นไม่ได้ช่วยผู้อื่นแล้วทำให้เราเสียหายเราก็ใช้อุบเบกขาเนี่ยปล่อยวางเช่นถ้าเราอยากจะช่วยเขาแต่เรารู้ว่าโอกาสที่เขาจะโกงเราอย่างนี้ มันจะทำให้เราเสียหายเราก็ต้องช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจวางเฉยไปปฏิเสธไปแต่ถ้าเราช่วยเขาได้ทําอะไรให้เขาได้โดยที่ไม่มากระทบมากระเทือนมาทําความเสียหายให้กับเราเราก็ทําไปเพรานั้นเราเราต้องรู้จักประมาณของการที่เราจะช่วยเหลือคนว่าช่วยได้เท่าไหร่ น่ช่วยน่ต้องต้องอยู่ตรงไหนถ้าทั้งเหตุที่มันเริ่มทําให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ต้องหยุดคุณสุธีรัตครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับการได้พระโสดาบาันนอกจากจะละสังโยชน์สามข้อแล้วยังมีอะไรอีกครับที่ต้องทําก็ต้องเจริญต้องละสังโยชน์อีกสองข้อตามลำดับคือราคะคกับปิติคะ การมาราธอก็คือความอยากจะเสพการอยากจะร่วมเพศเยก็ต้องจเจริญอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมเพศด้วยคิดถึงส่วนที่ไม่ไม่สวยใน่งานสิ่งที่น่าน่าโมโหสิ่งที่เป็นความสกปรกของร่างกายกนะาร่างกายก็มีสิ่งสกปรกขัดทายออกมาอยู่เรื่อย ดูรูปลักษณะของอวัยวะที่ไม่สวยงามของร่างกายดูโครงกระดูกก็ได้ดูลําไส้ก็ได้ดูปอดดูตับดูไตก็ได้อันนี้ก็จะทําให้เราละการมรารยาทหนึ่งได้แล้วปฏิฆะที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดของการมาราคะก็จะหายไปเวลาเราเกิดการมรยาทการอารมณ์มันจะเสร็จริ่มเสร็ ร่วเพศ น, นี้จะรู้สึกอุดเขี่ยใจใจจะมูกเห็นลำคาญ่ายแต่พอเราได้เสกปั๊บนี้หรือว่าเราเราหยุดการมารมได้ความลำคาญใจก็จะหายไปแต่ทางโลกนี้เขาจะระรับความอุดระงับความอุดปฏิกะด้วยการไปเสกการมารมพอได้เสกการมารมการมารมก็พักชั่วคราว การมาตัญหาการมาลาคา่ะก็พักสงบตัวชั่วคราวเมื่อมันสงบตัวความรู้สึกหงุดหงดก็หายไปพอเราก็เลยแก้คว า, ามหงุดหงดใจด้วยการไปเสกกางกันแต่มันก็ยัไม่หมดเพราะหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งไม่นานเดี๋ยวก า, าการมารมการมาลาคา่ะก็โผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดนั่นได้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาก็าต้องกำจัดด้วยอสุภะทุกครั้งที่เกิดการมาลาคะ ่็ให้นึกถึงอ ส, สุภะของคนที่เราต้องการจะเสกการมด้วยพอ อ, อ ส, สุภะของเขาปั๊บการอยากจะเสกการมร่วมเพศจากเขาก็จะหายไปพอหายไปปฏิฆาความมุดหิตใจก็จะหายไปแล้วมันก็จะหายแบบท้าวนวนเพราะถ้าเกิดมันผล่ขึ้นมาทีไรเราก็ใช้อ ส, สุภะดับมันได้ทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นการดับอย่างท้าววน ก็จะละสาังโยชน์อีกสองข้อได้หลังจากนั้นก็ยังมีค้าข้อเรียกว่สังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์สังโยชน์ห้าข้อละเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างกายเป็นหลักแต่พอผ่านเรื่องร่างกายไปได้แล้วเรื่องความกลัวตายกลัวเจ็บเรื่องของการอยากจะเสกกางกับร่างกายของคนหนึ่งมันก็ไม่มีเรื่องของร่างกายเพิ่งที่เราจะต้องไป ไปแก้แล้วนี่ยังมีเรื่องของใจที่เราใจของเรายังมีปัญหาอยู่ยังมีความไม่สบายใจยถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับร่างกายแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องของความสงบและไม่สงบของใจนี้ที่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อละเหตุที่ทำให้ใจของเราไม่สงบห้าข้อเดีวกนพอละได้แล้วแล้วก็หมดสังโยชน์ก็หมดไปจากใจมันรู้เป็นพระอหาน มั่อนุเป็นท่ า, ลาแล้วร เ, เสร็จภารกิจได้เข้าสู่พรนิพานต่คุณวีนาครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกชายที่บวชให้พ่อแม่นั้นพ่อแม่ได้รับส่วนบุญนั้นไหมคะและได้รับผลบุญมากน้อยแค่ไหนและคนที่ไปเกาะเสื้อของพ่อแม่ข้างหลังจะได้มีเมื่อไม่ได้เลยนะ การบวชของลูกชายนี่ลูกชายเป็นคนได้บุญเพีงแต่ว่าการบวชของลูกชายนี้มันอาจจะเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่ได้ทําบุญคือเมื่อบวัวลูกบวชอยู่ที่บ้านใช่นวันนี้มีคนในขาวจัดงานบวชให้ลูกชายแล้วก็โปรยทานกันเป็นแสนเป็นการทําบุญทําทานอย่างนั้นนะพ่อแม่ได้เพราะพ่อแม่ได้ทําบุญทำทาน ถ้าโดยปกติถ้าไม่มีงานบวชก็จะหวงเงินใช่ไหมก็จะเก็บไว้จะไปใช้อะไรเป็นประโยชน์ของตนมากกว่าที่จะไปแจกทานกันแต่พอลูกชายบวชมีงานบวชนี่ก็ต้องจ่ายและต้องไปทำบุญกันแล้วพอทําบุญพ่อแม่ก็เกิดความเพิ้มปิติเกิดความสุขใจหใจขึ้นมาจากผลบุญที่ได้ทําในวันนั้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้พ่อแม่ต้องมาคอยติดตาม เดือมาเยี่ยมลูกที่มาบวชอยู่ที่วัดอยู่เรื่อยก็ต้องมาวัดบ่อเมื่อมาวัดก็ต้องมาทําบุญทําบุญกับลูกแล้วองค์เดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมไม่ควรก็ต้องทําบุญกับพระรูกอื่ด้วยเช่นเวนาบินนบาจะใส่บาตรแต่ลูกของเราคนเดียวมันก็ยังไงอยู่ก็เลยต้องใส่กับพระที่เดินมาด้วยกันก็เลยมีโอกาสได้ทําบุญทาทานขึ้นมาแล้วโอกาส ที่เมื่อได้สัมผัสกับการทําบุญทนะําทางแล้วมีความรู้สึกอิ่มใจสุดใจก็อาจจะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้ทําบุญต่อไปหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วก็ได้จะมีพ่อแม่บางคนที่ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนพอลูกมาบวชปั๊บก็มาทําบุญนอกจากทําบุญนะยังได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ได้ฟังอนิสงค์ของการรักษาศีลของการภาวนา จังทำให้เกิดความศรัทธาขึ้นมาในการปฏิบัติทานศีนภาวนาถึง แ, แม่ลูกจะนาสิกาไปแต่ตัวพ่อแม่ก็ยังมาต่ออย่างมาอย่างต่อเนื่องอันนี้นี่แหละคือกานที่สงที่จะได้รับจากการที่มีลูกมาบวชในในวัดถ้าไม่มีลูกมาบวชก็พ่อแม่ก็ไม่มาวัดกันถ้าลูกไปติดคุกพ่อแม่ก็จะต้องไปคอยเยี่ยมลูกที่คุกที่คุกที่ตำตาน แพอลูกมาติดคุกในในวัดก็เลยต้องมาเยี่ยมลูกที่ติดคุกในวัดก็ได้มาทำบุญทำทานได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ได้เห็นได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจจะทําให้เกิดศรัทธาวิริยะจิตเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาเกิดอิทธิบาทเสกขึ้นมาโดยกระทําไม่ต้องอาศัยการบวชของรูปเป็นเครื่องดึงดูดใจ อันนี้หลัะได้ที่สองเขาเรียกเกาะชายภาพเลยแต่คนไม่เข้าใจกันไม่มีใครอธิบายให้ฟังก็เลยไม่ไม่ไม่เห็นภาพจ้าสมมุติว่าลูกมาบวชว่าไม่มางานบวชก็ไม่มาไม่เป็นเจ้าภาพงานบวชแล้วก็ไม่มาเยี่ยมเลยเพ่าเสียใจเพราะไม่อยากให้ลูกบวช พ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาไม่มาเยี่ยมเลยไม่มายุ่งเกี่ยวหรือเงื่อนเลยตอนนั้นก็เลยไม่ได้บุญเลยแต่หลังจากที่พระเจ้าตัสสรุแล้วก็กลับไปเยี่ยมเรแสดงทําให้ฟังก็เลยเกิดความศรัทธาขึ้นมายายที่น้องที่ร่วมฟังธรรมนี่เกิดศรัทธาเขา อ, ออกบวชกันเป็นจํานวนมากลูกก็บวชภรรยา ก, ก็บวชแม่เลี้ยงก็บวชญาติพี่น้องก็บวชกัน แต่มีพระเจ้าแผ่นดินบวชไม่ได้เพราะยังต้องของราชอยู่แต่เวลาที่จะใกล้เสด็จสวรรคตพระอุจจจาก็ไปแสดงทำโกรธจนบรรลุเป็นพระหานขึ้นมาเจ็ดวันก่อนจะเสด็จสวรรคตอันนี้ก็เป็นเรื่งที่สองเกาะชายพระเหนอของการเกาะชายพระเหนือที่ลูกมาบวชในาศาสนาพอเมื่อลูกมาบวชแลลูกจะมีความรู้แล้วจะไปคุยธรรมะกับพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า เวลาเราคุยกับคนที่เรารูจา้จักนี่เราก้าถามกล้าอะไรแต่เวลาเราไปคุยกับพระบางทีเราเขินเราอายไม่กล้าถามในเรื่องบางเรื่องบางอย่างนี่ก็คืออนิสงส์ของการที่มีย่าพี่น้องได้มาบวชในศาสนาจะทําให้เขาได้นําเอาสิ่งที่ดีของศาสนามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกพี่น้องต่อไปแต่ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้อะไรคุณแบงค์ครับกลับเรียนถามหลวงพ่อสุชาติช่วยแนะนําหนังสือบันทึกธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่ให้ดาวน์โหลดไว้อ่านที่เกี่ยวกับการภาวนาอาทิวิธีการบริกรรมพุโทโธสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานครับคือหนังสือของเรามันก็เป็นแบบจับใจมัน มันไม่มีเล่มันไม่มียแยกแยะเ่าจะพูดเรื่องนี้อย่างเดียวรู้เรื่องนั้นอย่างเดียวมันจะปนกันไปหมดเนียเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกันเน้นอ่านได้ทุกทุกเล่ม น, นะต้องขยันอ่านหน่อยแล้วมันก็จะได้สัมผัสกจำรับรูบ้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในแต่และเรื่องเพิ่มมากขึ้นที่เราเล็กเทียน้อยเราไม่มียากว่าจะพูดจอ ก็เกี่ยวกับเรื่องทานอย่างเดียวเรื่องศีลอย่างเดียวเรื่องภาวนาอย่างเดียวมันจะพูดรวมกันในแต่ละวาระแล้วก็อาจอา จ, อา จ, จะอธิบายแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันก็ได้เนี่ก็ลองลองไปอา่านเล่มไหนก็ได้คุณบุญชูครับกราบถามพระอาจารย์ครับถ้าสังขารเรามีความเจ็บปวดจากทุกขเวทนาจากโรคภัยไข้เจ็บ เราสามารถหลบเข้าไปอยู่ในสมาธิได้ไหมครับถ้าเราเข้าได้ก็หลบได้แต่มันก็เป็นการหลบชั่วคราวพราะเราไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ตลอดเวลาแต่เราไม่วิธีวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราหลบโดยที่ไม่ต้องหลบคือให้เร า, าเผชิญหน้ากับความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยปัญญาได้เราพิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นก็เป็นปุถภะนี่เ สิ่งที่สัมผัสกับร่างกายทาให้เกิด อ, อาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาเขาว่าเป็นไตรับเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบั ง, บงคับเขาได้แต่เราสามารถอยู่กับเขาได้รับรู้ได้ด้วยองุเบกขาที่เราสร้างจากสมาธิขึ้น คุณแคนดี้ครับกาบเรียนถามครับหากอดหลับอดนอนมาหลายหลายอาทิตย์ติดกันจนร่างกายอ่อนล้าควรเจริญสติด้วยอานาปานาสติไหมครับหรือควรใช้กรรมฐานกองไหนในช่วงที่ร่างกายอ่อนล้าครับใช้สติอย่างไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราจะทําได้จะใช้อานาปานาสติก็ได้ไใช้กายกัตตาสติก็ได้หรืเอเข้าดูการเคลื่อไนไหวต่างๆของร่าง ก, กายก็ได้ หรือ้วนึกถึงอาการ312ของร่างกายกันนะหรือถ้ามันอ่อนล้าลจริงจริงก็ควรจะพักผ่อนก็ควรจะต้องควรจะแบ่งเวลาให้กับร่างกายบ้างเพราะร่างกายเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการปฏิบัติเมื่อร่างกายต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องพักการปฏิบัติไม่ช่วยยกเว้นพักไปนอนสียให้ร่างกายได้มีมีโอกาสได้ฟื้นฟูตัวเองให้มีกําลังวางชาขึ้นมาแล้วรับค่อยมาปฏิบัติ คุณสุปตาครับตอนนั่งตรวจเิทีปิโศไปเรื่อยๆอยู่ดีๆขาที่เป็นเน็บชาก็คลายออกมันโล่งเบาแล้วรู้สึกได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังมากแล้วหนูก็เผลอกืนน้ำลายไปค่ะหนูก็นั่งต่อไม่ได้อีกหนูต้องแก้ไข ย, ยังไงคะเจอสองครั้งเลยค่ะเมื่อทำยิงก็เวลามันคลายออกแล้วมันโล่งมันก็ให้รู้เฉยๆไป เมื่อเวลาเราได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องมีปฏิกิริยาให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปเกินทำลายอย่าไปทำลายถ้ามันไม่ยอมอยู่เฉยๆก็ใช้พุทโธพุทโธให้มันอยู่เฉยๆไป คุณสวัสดิพงศ์ครับจากที่มีกล่าวไว้ว่าเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์อยากเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์แบบไหนดีกว่าในแง่ของการสั่งสมบุญบา ร, รมีเพื่อให้ถึงนิพพานครับคือเราเป็นสิ่งที่เราเรียกไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์ที่เราจะบอกว่าอยากจะไปเป็นเทวดามันก็ไม่ได้เราก็ต้องเป็นมนุษย์ การเป็นเทวดานี่มันก็เกิดจากการที่เราทําบุญทําทานรักษาศีลห้าพอตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแต่สภาพของเทวดานี่เป็นสภาพของเหมือนคนไปเที่ยวคนไปเที่ยวนี่จะไม่คิดถึงเรื่องการทํางานอยู่นะจะไปฮอลิเดตนี่จะไปเที่ยวอย่างเดียวจะไปหาเสพความสุขจากการไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ไม่คิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่เราท เนการไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวนานนี้มันจะไม่มีกจิตกาใจที่อยากจะปฏิบัติทำแต่ถ้าแต่ถ้าเราตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี่เรามีโอกาสจะได้ปฏิบัติมากกว่า้็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในยุคไหนถ้าอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี่มันก็มีอะไรแรงมีสิ่งดึงดูดใจเรามีคําสอนมีวัดมีผู้ปฏิบัติ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มาดึงดูดใจของเราให้สนใจกับการศึกษาและการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเทวดานี้จะต้องมีพระอรหันพระพุทธเจ้าที่มีมีมีอภินญาที่สามารถจะติดต่อสั่งสอนให้กับผู้เทวดาได้ถึงจะสามารถได้ศึกษาได้ปฏิบัติถ้าไม่มีก็จะไม่รู้เรื่องเรานี้ก็จะ เสกความสุขที่ที่เป็นของเทวดาไปเกินกว่าบุญย่มถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เน้นเรื่องของการเป็นมนุษย์เป็นเทวดานี่มันไม่ต้องเป็นกังวลหรอกมันมันต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ช้าก็เลยถ้าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไม่สามารถปฏิบัติทําได้เพราะอาจจะไม่มีคใครสอนก็ต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องดูว่ามีใครสอนอีกหรือไม่ถ้าไม่มีใครสอนก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรในการจะเปิดเป็นมนุษย์และได้ปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์จริงๆต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นตอนนี้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์และรับพระพุทธศาสนาที่จะมาคอยสั่งคอยสอนคอยชี้บอกทางให้กับเรายุคนี้แหะเป็นยุคที่เป็นยุคทองของการปฏิบัติของการบรรลุมรรคผลนิพพาน แทนแม้ว่าจะอยู่ยในยุคปลายคือมีจํานวนของผู้สั่งสอนน้อยเมื่อเปรียบเทียบก่อ น, นยุของพระพุทธเจ้าอายุของพระพุทธเจ้านี้มีพระหลังเยอะช่วยเผยแพร่สั่งสอนทำร้นได้มากมายอายุนี้พ า, านหลนีน้ล่อยล ỏ ลงไ ป, ไปตามตามกาลตามเวล้วต่ก็ยังไม่ถึงกับสูญหายไปถ้าสนใจศึกษาสนใจแสวงหาก็จะยังมีโอกาสได้พบกับพระหล นี่จะสอนธรรมะให้กับเราฉั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความคิดเกี่ยวกับว่าเป็นเทวดาดีกว่ามนุษย์หรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องทฤษฎีหมายให้เรามองสภาพความเป็นหญิงหรือเปลาวตอนนี้เราเป็นอะไรและเราจะสามารถเอาประโยชน์จากการเป็นมนุษย์ของเรานี้ได้อย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นฉันน่าจะบอกก่าซึ่งตอนนี้เราเราโชคดีเรา เราเป็นมนุษย์แล้วเราก็ได้เจอกับพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือเราต้องมีเวลาศึกษาปฏิบัติแล้วก็มีชีวิตอยู่ยาวนานนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่ดีที่หายากคือหนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองการเกิดของพระพุทธศาสนาสามการดำรงชีพการมีชีวิต ถ้าสี่การมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสี่อย่างนี้แล้วโอกาสที่เราจะมารู้มากผลนิพพานนี้ก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งนี่อาจจะยากเช่นเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนาแต่อายุสั้นเกิดอุบัติเหตุตายไปก่นนอนหรือมีพระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์ อายุยาวแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะบูมแต่เอาเวลาไปหาเงินหาทองไปหาความสุขทางโลกอันนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ได้มากผลนิพพานได้แต่ถ้าได้มีสิ่งที่หายากนี้สี่ประการครบบริบูรแล้วก็มากผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างแน่นอนเเป็นมนุษย์แล้วก็มีพระพุทธศาสนาคอยสอนคอย สั่งเราถ้ามีอายุยืนยาวนานคือไม่ตายอายุไม่สั้นมีอายุมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเวลาที่จะใช้ชีวิตนี้ให้กับการปฏิบัติถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานก็พยายามรวบรวมสิ่งสี่ประการนี้ให้ครบให้ได้แล้วรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานนี้จะอยู่แค่เื่องเท่านี้ คุณชาลอดครับกับเปลี่ยนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิไม่บริกรรมพุทโธดูลมหายใจอย่างเดียวได้ไหมคะได้ได้เลือกได้จะเอาอย่างเดียวก็ได้จะเอาสองอย่างควบคู่กันก็ได้หรือจะเอาบริกรรมอย่างเดียวไม่เอาดูลมก็ได้มีสามวิธีกนการดูลมอย่างเดียวบริกรรมอย่างเดียวหรือดูลมด้วยบริกรรมไปด้วยก็ได้แล้วแต่จลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คุณศิวพรครับขอน่าจะถามเรียนถามพระอาจารย์ถ้าถึงวิธีตัดความอานไลอาวอในทรัพสมบัติความเป็นห่วงน่าจะเป็นลูกหลานครับพระอาจารย์ครับอรคก็ให้เราลึกถึงความความความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือความความเป็นอนิจจังของทุกอย่างว่ามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการพลาดจากกันเป็นธรรมดา เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพักผราจากของมากของเยื่อเลใจทั้งหลายทั้งปวงไปอาจจะจากกันตั้งแต่ยังไม่ตายก็ได้หรืออาจจะจากเป็นตอนตายไปแล้วก็ได้แต่ต้องมีการพักผราจากกันอย่างแน่นอนนั่นอย่าไปเสียดายของเหล่านี้มันไม่มีคุณค่าคุณประโยชน์กับจิตใจของเราเหมือนกับธรรมะที่เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้คุณป ร, รัชท์ครับนัระสการพระอาจารย์ครับ ผมอยากถามว่าการไม่คาดหวังเกินกว่าความสามารถที่เราทำได้และไม่หลงยินดีกับคำชมจากผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบได้อย่างไรครับ่อเมื่อเราไม่มีความหวังเราก็จะไม่ค่อยวุ่นวายใจเวลาที่เขาไม่ตอบสนองความหวังของเราเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจมัรู้สึกปลดข้อแต่ถ้าเราหวัง <agreements. S 2> เวลาได้เราก็จะดีใจแต่เวลาไม่ได้เราก็จะเสียใจงั้นอย่าไปยินดีกับการากระทาของผู้อื่นให้เรามีสันโดษคือความยินดีตามมีตามเคยกันอย่าไปหวังอย่าไปอยากาายให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าได้อะไรมาก็ให้ยินดีถ้าไม่ได้ก็ให้ยินดียินดีทั้งสองอย่างยินดีกับการได้แล้วยินดีกับการไม่ไดู้ด่กว่า เราจะไม่มีความเสียใจและมีความสงบมสมใจคุณนิตี้ครับเราไม่มีโอกาสได้ทําบุญตักบาตรแต่เราได้ใช้ปัจจัยในการซื้อของเราจะได้บุญไหมคะได้การทําบุญนี่ไม่จําเป็นจะต้องใส่บาตรอย่างเดียวการทําบุญด้วยปัจจัยสิย่งใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาหารที่อยู่อาศัยเช่นรโวมสร้างบุติหรือสร้างบุตริถวายพระก็ได้ ชีวรนุงนุ่งห่งมย า, ารักษาโรคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ใเป็นการในการทำบุญได้ได้บุเหมือนกั น, นจากชั้งไก่ครับกราบน้ำรสการพระอาจารย์อยากสอบถามเรื่องอาบัติปาจิตตีครับทำผิดซ้ำๆได้กี่ครั้งหรือทำได้ครั้งเดียวครับท่านก็ไม่ได้บอกว่ากี่ครั้งครแต่ว่า ถ้าทำซ้ำๆแสดงว่าไม่ไม่สำเร็จหรืงไม่ไม่มีความรู้สึกอับอายหรือว่าไม่ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ก็เขาก็จะแนะนาให้สิบไปดีกว่าง่ายๆหในเพศร้าถ้าเมื่อไม่สามารถที่จะรักษาความมินัยได้ ทำผิดพรวินัยแบบอาจินนี่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมกับการอยู่คลองกันเป็นท้าอีกต่อไปอันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ไม่พูดปกครองนี้ท่านจะท่านจะดูบางทีท่านก็ไม่ได้สึกเพียงแต่ว่าท่านให้ไปอยู่ที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่วัดของท่านเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาพรวินัยของตนเองได้ คุณพีราพรครับการวางอุเบกขาต้องเฉยๆอย่างเดียวถูกผิดไม่ต้องไปโต้แย้งใช่ไหมคะใช่คือผิดก็แล้เราก็รู้ว่าผิดถูกเราก็รู้ว่าถูกแต่ถ้ามีโอกาสให้ชี้แจงเราก็จะชี้แจงถ้าเขาถามเราว่าคุณมีความเห็นอย่างไรแล้วก็พูดได้แต่เราไม่ต้องพูดเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันคุณตวงธรรมครับ ขอถามว่าฝรั่งที่เขาไม่ได้นับถือพุทธแต่เขาไม่ทําผิดศีลห้าข้อเลยและก็ไม่ได้ไปวัดรับศีลใดๆที่วัดจะเท่ากับเขารักษาศีลหรือเปล่าครับการรักษาศีลตัวเราต้องรู้จักศีลก่อนที่จะรักษาศีลหรือเปล่าครับก็มันก็ต้องรู้หรอกการฆ่าดีหรือไม่ดีคนที่ไม่ฆ่าเขาก็เขาก็รู้ว่าการฆ่าไม่ดีเขาก็ไม่ฆ่าอย่างนี้ก็แล้วเขารู้วศีลห้าก็มีอยู่ห้าข้อ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัไม่ประพฤติผิดตัวเองนี่ไม่พูดปดไม่เดือดรลายยาหมงซึ่งในศาสนาอื่นก็มีมีเหมือนกันสี่ห้านี้แ่ทุกศาสนานี้จะมีเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าการกระทําผิดศีลนี้มันไม่ดีมันสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตนเองกับผู้กระทาด้วยคุณพัชรีครั บ, ก, บการน้ำระสการพระอาจารย์ค่ะ สังโยชน์หข้อที่พระอารหันต์ต้องละมีอะไรบ้างและหมายถึงอะไรคะเรื่อเาเรียกสังโยชน์เบื่องบน ม, มีรูปาราคะคือความยินดีในรูปปานรูปราคะคือการยินดีในรูปปานมานะคือการถือตัวอุทจจะคือความฟุ้งของจิตใจฟุ้งซ่านของจิตที่ที่ยัง อ, อยังไม่บรรลุก็ ย, ยังพยายามที่จะคอยอค้นหาเหตุที่ทําให้จิตใจนี้ยังไม่ไม่สงบตลอดเวลาก็บางทีอาจจะทําให้ทุ้งร้างนกันนะแล้วก็ข้อห้าคืออวิชชาคือการยังไม่เห็นปัญญาศัตรีแบบครบถ้วนยังมีอริยสัจสีที่ละเอียดที่ยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ เ<แ>ห็นแต่ริยสัจสีในระดับของโสดามันสกิราคามีนาคามีแต่ยังไม่เห็นอริยศัจสี่ที่ทำงานอยู่ในระดับของของพระพระที่จะบรรลุเป็นพระนะก็ต้องพิจารณาแล้วปฏิบัติให้ปล่อยวางสาโยธาห้ามีนาคก็คือถ้ายังยึดติดกับรูปประฌานก็ให้ไม่ให้ยึดติดเอ็รูปประฌานมันไม่เที่ยง เวลาเข้าชานก็มีความสุขเวลาออจากฌายมันหายไปก็จะทําให้รู้สึกไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขเอารูกประชานก็เหมือนกันเรากรมานะคือการถือตัวเวลาเราถือว่าเราดี ว, เ, ดวเขาเดึงเขาแล้วเขาไม่เห็นด้วยเราก็ไม่พอใจแล้วก็เกิดเขาทุกข์ใจขึ้นแล้ ว, ลวท่านจา ก, ก็คือีสายฟอาจารย์ขาดไป อ๋อไฟดับอ่าอาจารย์กลับเข้ามาแล้วที่วัดทั้งวัดเลยอ๋อเหรอครับมันสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อะไหายไปเมื่อกี้ต้องใช้ u ยูแทนอยู่พูดหนึ่งคราวนี้ไฟก ล, ก, กลับมาแล้วทักอย่างก็กลับมาเป็นร่างกันเลยย่องดีมันไม่ดับนะครับผมแกกระช่า อาจารย์เมื่อกี้ท่านพูดถึงอุทจจะครับผมอ่ากน็นี้ก็ที่อธิบายอย่างคร่าวเนี่ยอย่าไปติดชาอย่าไปอาศัยชาเพียงแค่คุณให้ความสุขเพราะมันจะทําให้เราติดอยคนติดบุหรี่ติดกาแฟเนี่ยต้องเลิอกอยู่แบบไม่มีกาแฟไม่มีบุหรี่ก็มีความสุขได้ดีกว่าด้วยเพราะไม่ต้องคอยไปกังวลหาบุหรี่หากาแฟมามาสูบมาดื่มเรื่อยๆ ให้เราอย่าไปยึดติดอย่าไปเพึ่งอะไรให้ความสุขกับเราอย่าไปอย่าไปพึ่งพึ่งตัวตนถือว่าเรามีเราเด่นเราดีกับคนนั่นคนนี้อย่าไปหาความสุขจากการถือว่าเราเราเก่งกว่าคนอื่นทำตัวให้ต่ําต้อยทําตัวให้เป็นผู้รู้ตัวตนไม่ดีจิตไม่ใช่ตัวตนจิตเป็นตัวรู้ผู้รู้เท่านั้นเองให้อยู่ตามความเป็นจริงของจิตแล้วก็ให้เห็นว่าความทุกข์ คือทั้งหลายนี่มันเกิดจากความที่เราอยากให้จิตมันสงบตลอดเวลาซึ่งโดยธรรมชาติจิตเมื่อมันยังมีการเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ยังสงบตลอดเวลาไม่ได้เพราะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะมันจะสงบก็สงบมันไม่สงบก็ให้เลืยเฉยๆไปแล้วจิตก็จะไม่มีควาคธุับอะไรครับจิตก็จะปล่อยวางสัำโยชน์ทั้งห้าได้ เห็นนายาศาสตร์ว่าอ๋อที่เราทุกข์อยู่เพราะเราอยากจะให้มันไม่มีทุกข์ก็อยากให้มันไม่มีทุกข์มันก็เลยการยังครับทุกขึ้นมาเพราะจิตยังเป็นสมมุติตยอยู่จิตยังอยู่เกี่ยวข้องกับโลกสมมุติอยู่ยังมีมีขันอยู่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆอยู่ซึ่งมากระทบขนาดจะทําให้เกิดมีความรู้สึกสุดทุกข์ไม่สุดไม่ทุกข์อยู่เราต้องใช้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับอะไรทั้งสิ้น แต่การอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็อยากเปอยากเมื่อยังมีทุกข์อยู่ในใจก็รู้ตามความเนจริงขึ้นมาย่เดี๋ยวมันพอเราปล่อยวางแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราก็จะหมดไปพาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่าพระอนาคามีนี่ก็ยังรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ยังมีมานะอยู่พระอนาคามีนี่เนี่ยมีมาระ์ยังติดในรู ป, ปรชานะ รูปประชาชนอยู่พอพอนาคาเริ่มเลือกเสพร่างกายแล้วเนี่ยเริ่มเสพการแนละ้ว ก, นะก็เลยตังมาอาศัยรูปประชาชนะรูปประชาชเสพแต่ในเวลาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ก็ยังวิ่งตัวตนยังถือว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาต่ำหรือเขาแล้วส่วนอุทจารย์นี่ก็เป็นตัวตัวที่ทับจิตพยายามที่จะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาที่ยังมัวเหงืออยู่ในใจ ยิ่งแก้ยิ่งทําให้ยิ่งฟุ้งขึ้นมาวิธีขั้นสุดท้ายนี่มันให้เลิกแก้ให้ให้ปล่อยวางทุกอยาก่างมันไม่เข้าใจหลักนี้มันพยายามจะแก้อะไรที่มันทําให้ใจไม่สบายมันพยายามจะแก้อยู่เรื่อยเรือยิ่งแก้เท่าไหร่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งวุ่นวายยิ่งทุ่มอยู่เรื่ยเรื่อนฟุ้งขึ้นมา ใ, น, ใ น, นที่สุดมันต้องเห็นวนะ่าวิธีที่แก้ปัญห า, าต่างๆคืออยา่าไปแก้ปล่อยวาง ขั้นสุดท้ายนี่กลับต้องป่อยต้องหยุดแก้แก่มากเกินไปก็เหมือนกับกินยามากเกินไปกินยามากเกินไปก็เกิดมีผลผลเสียกลับมาบางทีก็ต้องหยุดยายม้แม่หมอบางทีรักษาให้ยามากเกินไปแล้วคนไข้เริ่มแพ้ยาแล้วก็มากเกินไปแล้วยามากเกินไปการจเิใช้ยาในใในนระดับนี้ก็จะการเปนปัญหาขึ้นมาได้ จะมันกระทั่งเกิดอุอทธัจจะขึ้นมเกิดความพุ้งสร้างขึ้นมาก็เลยหยุดแก่แล้วก็ปล่อยให้จิตรู้ไปเฉยเฉยปล่อยวางทุกอย่างอะไรมันจะเกิดจะเป็นจิตมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันจะดีก็ช่างมันจะไม่ดีก็ช่างมันที่สุดต้องปล่อยปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางสติปัญญาปล่อยวางการปฏิบัติให้แต่มรู้เฉยเฉยไป แล้วตอนนั้นนหละจิตมันก็จะเริ่มเข้าสู่ร่องเข้าสู่รอนก็จะหยุดมันก็จะหยุดขวายคว้าหาหวิธีดับความทุกข์ถงทันว่ามันหยุดขวายคว้าความทุกข์ที่เกิดจากการขวายคว้ามันก็หายไปเข้าใจไหมอันนี้ครั้นี้มันยากนะถ้าถ้าไม้าอาจาคอยสอนคบอกนี่มันมันมันตรงนะมันหลงกับสติปัญญามันคิดสติปัญญานี่เป็นเครื่องมือในรเลิกที่สุดครับ อันใี่สุดมันไม่มันไม่รอบครอบครับฟังเป็นเหตุเป็นผลใช้ใช้มากเกินไปแล้วครับาการ <ผม S 2> นี้อาการแพ้สติปัญญาขึ้นครับฟังเป็นเหตุเป็นผลแต่ไม่เข้าใจเข้บอาจารย์<笑><笑>ยังยังเข้าใจไม่ได้ครับอาจารวันที่หลวงตาบอกว่าพอเข้าไปสุดท้านสุดท้ายแล้วจะเข้าไปในประสาทราชวังที่เจอวิชานั่งอยู่ตัวเดียวเคยอา่านหนังสือของขอ ง, ของตาครับอาจาน นันะอภิชามันจะหลอกเราจากคุณสิครับขออุบายทำให้จิตติดกับคำบริกรรมพุทโธค่ะทาบ่อยๆทำเรื่อยๆทาบ่อย ๆ, อ, ยๆอะไรที่เราทำบ่อยๆมันติมันจะติดเป็นนิสัยไปคุณต้าครับถามค่ะถ้าเรารู้ว่าเราก่อนจะสิ้นใจเราต้องทำจิตใจอย่างไรบ้างคะ ก็ทำใจให้ว่าเป็นอุเบกขาหนึ่ดีที่สุดนเราต้องมาฝึกทำตั้งแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเราทำไม่เป็นตราถึงเวลาแล้วเราจะทําไม่ได้เราจะวุ่นวายเราจะอยากอยากอยากไม่ตายอยากตายอะไรเงี้ยมันจะปวดลงไปอยากตายก็เป็นทุกข์อยากไม่ตายก็เป็นทุกข์มันต้องอยู่โครงการเฉยๆถ้ามันจะตายก็ให้มันตายถ้ามันยังไม่ตายก็ให้มันอยู่ เนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายว่ามันทุกข์ไงถ้ามันยังไม่ตายก็อยากให้มันตายมันก็สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาในเวลามันไม่มันจะตายแต่อยากไม่ให้มันตายมันก็ทุกข์้นไมเพราะเราไม่เคยฝือโปรเกค่ะส่วนการอยู่ระหว่างความอยากทั้งสองนี้อยากเป็นและอยากไม่เป็นคุณสมพรครับวันนี้โยมปล่อยปลาไหลตอนแรกซื้อหนึ่งตัว จริงใจสบายใจสุดแต่พอตัดสินใจซื้ออีกตัวรวมซื้อสองตัวแทนที่จะใจจะมีความสุขเสมือนไม่จริงใจต่อความรู้สึกตัวเองพอซื้อสองตัวเสมือนเกินตัวเกินความรู้สึกแท้จริงไปอย่างนี้โยมขาดธรรมะข้อใดครับก็ขาดขารอะไรคือเรายังขาดความสามารถที่จะสู้กับความตนตันดีของเราไม่ได้เรายังหวงเงินทอง กเเลยทําา้มัันนรสวว่ีตคุณมลชัยครับขันห้าทํางานอย่างไรครับก็เนื้อร่างกายมีแล้วมีอัญญตนะห้าห้าอย่างด้วยกันตาหูมจมุกลิ้นกายแล้วก็ร่างกายนี้ก็อายญตนะทั้งห้านี้ก็ทําหน้าที่รับรูปเสียงกินแล้วปวดทพะเมื่อเมื่อรูบเสียงกินแล้วปวดทพะทํผ่าเก็บตาหูมจมูกลิ้นกาย วิญญาณขันก็มารับรูปเสียงกลิ่นวัเข้าไปในใจเข้าไปที่สัญญาสัญญาก็แปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นว่าดีไม่ดีหรือเป็นกลางแล้วพอแปลว่าดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแปลว่าไม่ดีก็เกิดทุกข้เวทนาขึ้นมาถ้า แ, แปลว่าเป็นกลางกลางก็เกิดเวทนากลางกางขึ้นมาแล้วก็พอเกิดเวทนาก็เกิด สังขารความคิดปรุงแต่งความอยากขึ้นมาถ้าสุขเวทนาก็อยากให้มันอยู่กำลังอยู่ไปนานๆถ้าเกิดทุกเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆถ้าเกิดอาวะตันหาวิภาวะทันหัขึ้นมาก็จะทําให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาอย่าที่เราทุกข์กันเพราะความอยากอยากให้สุขอยู่กับเรานานๆอยากจะให้ทุกข์หายไปเร็วๆมันก็เลยทําให้เราทุกข์ใจเวลาไม่ได้รับใช้อาถถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้อง อยู่เฉยๆนเฉยๆคุณพัชรีครับในทางพระพุทธศาสนาแบ่งความสุขเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างคะก็มีสองประเภทใหญ่ๆสุ่ง ส, สุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็คือการได้รับเจริญราบรื่ น, น, สนเสริญเจริญราบรื่รเสริญสทุทางธรรมจาหมดวิ่งคลายก็เป็นความสุขกัน เป็นความสุดทํางโลกความสุดทั้งทางก็เกิดจากการทําใจให้ใส่คุณการจนาครับการนวัตสการพระอาจารย์ค่ะคุณแม่สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเป็นประจําทุกวันไม่ขาดมาหลายปีแล้วค่ะและหลังจากสวดมนต์ท่านก็จะนั่งสมาธิต่อแต่ทําไมการปฏิบัติของท่านถึงไม่ก้าวหน้าคะเพราะท่านยังปฏิบัติไม่มากพ อ, อยังน้อยไปสามท่านยังอยู่ในระดับ สมาธิอย่างเดียวซึ่งเวลาออกจากสมาธิมาจิตถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยปกป้องสมาธิได้นั้นก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะแสดงอะไรผลให้ได้มากนั้นท่านต้องรู้จักการฝึกสติต่อเ น, นื่องเวลาไม่นั่งสมาธิก็ต้องฝึกเพื่อให้ใจสงบให้เย็นแล้วก็ ถ้ามีสติมีความสามารถภาษาใจใเง็นเราก็ให้ให้ฝึกคิดทางปัญญาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางสิ่งต่างได้คุณสวัสดีครับพระอาจารย์ผมขอสอบถามครับคนที่กำลังจะตายแล้วเราจะเข้าเข้าสมาธิเข้าฌานนั้นจะไปเกิดอยู่ชั้นพรมจริงเหรอครับถ้าคนทำชั่วไม่ได้ฝึกสมาธิมาแล้วดับมา เข้าสมาธิเป็นก็จะได้ไปอยู่ชั้นพรมหรือครับคือถ้าไม่เคยเข้าสมาธิมา่อก่อนเข้าไม่ได้หรอกเหมือ น, นัมวยไม่เคยซ้อมาอมื่อก่อนจะขึ้นไปชิมชั้นไม่ได้หรอขึ้นไปกระโดดเข้านอกขท้นเองดันั้นการจะไปสวรรค์ชั้นพรมนีน่เราต้องสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการใหม่ๆมัน ไ, ได้ป๊บหนึ่ง ครียันนิกาสมาธินี่ยังไม่พ อ, อเพราะว่าถึงเวลาตายใจมันเครียดมากจะมีกําลังที่จะให้มันสงบนิ่งเป็นสมาธินี้คงจะเป็นไปได้ยากยังต้องฝึกสมาธิจนกระทั่งเราสามารถเข้าออกได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการและอยู่ได้แต่ละครั้ง น, นานๆอย่างนั้นน่ะถึงจเวลาตายไปก่อนจะตายก็เข้าสมาธิได้ทันทีแล้วก็เวลาร่างกาย ใจ ank, ยากกว่าจากร่างกายใจก็อยู่อยู่ในสมาธินั้นสมาธินั้นก็คือเป็นสวรรค์ช่านตรลไปโดยอัตโนมัติคุณน้องหลินครับสอบถามเจ้าค่าที่หนูปฏิบัติมาหนูโดนตัดเยอะเลยเจ้าค่ะเช่นสิ่งที่เคยเห็นปัจจุบันก็ไม่ได้เห็นอยากมีสามีกลายเป็นไม่อยากมีอยากไปบวชชีไปบวชไม่ได้เพราะมีลูกเลยต้องตั้งใจรีบสอนลูกตั้งแต่เด็กเจ้าค่ะตั้งแต่สวดมนต์เจ้า่าสิ่งที่หนู ทำถูกไหมเจ้าคะ่ะและจะบอกสามีและบอกสามีรีบปฏิบัติธรรมเจ้าคะ่ะคือเรื่องของคนอนดีเราไม่ควรที่ไปสอนไปบอกเขานอกจากว่าถ้าเป็นลูกเรามีหน้าที่สอนเขาได้เราก็สอนไปแต่ถ้าสามีนี่ถ้าเขาไม่สนใจก็อยากไปสอนไปบอกเขาเดีย๋ยวเขาจะโกรธนะวิการจะสอนจะบอกใครต้องดูว่าเขายินดีรับสั่งคาสอนคำสอนของเราหรือได้ ท่าก็ไม่ยินเยแล้วก็ไม่ควที่จะไปก้าวขายแล้วก็สอตัวเราไปก่อนปฏิบัติตัวเราไปก่อนให้ดีดีกว่าเรื่องของคนอื่นแค่ว่าทีเดียวท่ า, ทาก็ต้องการขอความช่วยเหลือะจากเราขอให้เราช่วยสอนช่วยบอกเราเราค่อยสอนคุณกิติพงศ์ครับเหมือนตอนที่ผมโดนฉีดยาผมจะทําสมาธิต่ออยู่ตรงที่เจ็บให้รู้ว่าเจ็บหนออย่างนี้ถูกไหมครับเอาสมาธิไปจอดจุดที่พี่ ที่เจ็บถ้ารู้ว่าเจ็บครับคือการไปจอดมานี่มันก็ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าจอดแล้วใจเรารู้สึกยังไงกับการไปจอดถ้าใจเราเฉยก็ถูกถ้าใจเราไม่เฉยอยากให้มันหายเจ็บแล้วก็ใจเราเครียดขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ถูกการจอดทเฉยนี่มันไม่ไม่ได้เป็นตัวบอกบอกว่าถูกก็ไม่ถูกอยูที่ใจของเราผมที่เกิดจากใจแล้วว่า จะเอาใจเอาเฉยเป็นเบ็ดค้าได้หรือไม่คุณปาริชาติครับกราบพระอาจารย์ค่ะหนูทํางานร่วมกับชาวต่างประเทศค่ะหลายครั้งพวกเขาสนใจพุทธศาสนาแต่คนละแบบกับชาวไทยเราวันนี้ขอความรู้เกี่ยวกับคําว่าทวินเฟรมค่ะพระอาจารย์ใกล้เคียงกับเรื่องคู่บารมีในพุทธศาสนาของเราบ้างไหมคะหนูก็ไม่ทราบความหมายของภาษาอังกฤษนี้เป็นยังไงทวิน เพลงก็หมายถึงแฟนเพงนี่มันก็มีหลายความหมายความหมายทั่วไปก็คือไฟก็อาจจะพูดถึงคู่คู่รัก็อาจจะเรียกว่าเพลก็ได้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นคู่คู่บุญกันมาก็ได้คู่ทำเป็นเพลงนี่อาจจะเหมือนที่เราเรียกว่แบบเพศนิวาร์ที่เราเจอคนที่ถูกถูกใจเราต้องชอบพอแล้วก็วรัก ก, กัน นี่มันก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าเป็นคู่บารามีกันกล้วแหละเคยร่วมบุญร่วมร่วมอยู่กันมาตอนอยพระพุทธเจ้ากับพระชายาของท่านก็เป็นเหมือนคู่บาลามีกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในอดีตชาติพอเจอกันชาตินี้ก็ถูกปกถูกใจอยจะร่วมอยู่กันต่อไปก็เป็นไปได้ คุณคริสครับเลียนถามพระอาจารย์ครับอุเบกขาตอนนั่งสมาธิและอุเบกขาตอนออกจากนั่งสมาธิแล้วต่างกันไหมครับก็อันเดียวกันนะคือแต่ว่ามันจะมันจะค่อยๆลดน้อยลงไปเหมือนกันน้ําเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นเวลาเราออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆคลายความเย็นลงไปเพราะอากาศภูมิภายนอกมันมันมันสูงกว่า คุณระเที่อยู่ในตู้เด็นั่นความเย็นของนั้นก็จะค่อยๆลดน้อยถอยไปจนกระทั่งใที่สุดก็จะหายไปคุณเบรคคาร์ก็เช่นเดียเวลวจาจะสมาธิใหม่ๆก็เหมือนเหมือนไปนดูเบรคคาที่เราได้จากสมาธิแต่พอเราเริ่มมาสัมผัสแล้วรูบรู้สึกกินก็มีการคิดปัแต่มันก็เริ่มจะทําให้ความเย็นใจนั้นค่อยๆน้อยลงน้อยลงไปจนหายได้หมดเลยก็รับ คุณเชอรี่ครับอ่านพบข้อความนี้ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมไม่วิวาดแก่งแย่งกับใครโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฐิขอเมตตาพระอาจารย์แปลความด้วยค่ะก็ผู้ที่หลุดพ้นแล้วจะรู้ว่าไม่มีอะไร น, น่าแก่งแยงกันเพราะสิ่งที่เราแก่งแยกงนั้นเป็นกองทุกข์เทนั้นเหงืส่สนิทสนที่เราแก่งแย่งจริงดีกันในในสายตาของผู้หลุดพ้นนั้น เห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่ปความสุขดังนก็จะไม่แกกแยกชีวิตกับใครไม่มีเรื่องไม่มีเรื่อ ง, ม, ม, องมีราวอะกับใครส่วนการคุยกันก็คุยกันไปตามภาษาของของโลกคุยเรื่องการเมืองแบบคุยกันไปคุยเรื่องอะไรแต่เป็นเพียงไม่มีอารมณ์ ก, กับการคุยกับเรื่องต่างๆได้ไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องของอารมณ์คุยไปด้วยเหตุด้วยผลไปทั้งวิเคราะห์กันไป ใช่ว่าจะเลือกคนไหนดีเลือกตั้งเขาเนี้ต้องวิเคราะห์ไปครับคนนี้เขามีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดได้แต่จะไม่มีอารมณว่าโอ้จะต้องได้นะต้องหาคนนี้ให้ได้ไม่ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นเรื่องของคนที่เขาจะเลือกใช่ไหมใช่แต่เราก็วิเคราะห์ไปต า, ต, ตามเหตุตามเหตุตามปัจจัยที่เรารับรู้ไปที น, น้แต่ไม่มีไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราวิเคราะห์นีกคุยกันก่อน ไม่ได้ออกแพ้เอชนะใครเชียคนนี้แต่คนนี้แพ้ก็ไม่ได้เสียใจเอาชนะก็ไม่ได้ดีใจคุณโอ๋ ค, ครับข อ, อกาสถามเจ้าค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติมาถูกทางเจ้าค่ะก็ใจเราย็นขึ้นสบายขึ้นความทุกน้อยหลงความเมื่อยใจน้อยลงความโล่งทําโกรดความหมองน้อยลง คุณแสงประณีตครับขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าความสุขในขณะนั่งสมาธิหรือในการนั่งสมาธิคืออะไรเจ้าคะก็ ค, คือความสงบเนี่ยการนั่งสมาธิก็ทําให้ใจเรานิ่งไม่สงบให้หยุดคิดเมื่อใจเราหยุดคิดแล้วใจเราจะเบาจะเย็นจะมีความสุขขึ้น อันนี้คําถามพัตตรัตนัยน่าจะถามไว้อาทิตย์ที่แล้วแล้วไม่ได้ฟังคําตอบครับอา <c oughs> จารย์บอกว่าถ้านิมนต์พระแล้วไม่เป็นรับพระจะบาปไหมครับโค้โกงไงบาปถึงข้อสองไอ้ข้อสามทำําบากข้อสามมุสาวาถา <c oughs> คุณบุญบุญผ บ, บุญปุ้ยครับกับนัสกสการพระอาจารย์ข่าวสักแต่ว่ารู้ตอนที่เราทํางานอยู่พอรู้แล้วสภาวะก็ไปที่อื่นต่อบางทีรู้ไม่ทันเจ้าค่ะต้องวางอย่างไรเจ้าค่ะ ไม่ทันก็ไม่เป็นไรมันไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้เรารู้กับสภาวะที่เที่ยังอยู่เพราะมันมีสภาวะอย่างอื่นเข้ามาทดแทนที่ตลอดเวลาให้เราอยู่ในปัจจุบันแล้วริ่รู้กับสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามรู้อะไรที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณประธานครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ครับทุกเขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยต่างๆล้วนต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนใช่ไหมครับและแนวทางในการลดทุกเขเวทนาที่เกิดควรเริ่มที่ไหนครับคือเริ่มด้วยการไม่มาเกิดอย่เลนี้แาเกิดนะแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาจารก็ยังต้องเจ็บร่างกายของท่านก็ยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุก ข, เ, ขเวทนาอย่างไในพระไตรปิฎกมีเคยมีการแสดงว่าพระเจ้าเดินทาง จากเมืองหนึ่งไปสวยเมืองหนึ่งระหว่างทางร่างกายเกิดอาการเหนื่อยก็เลยบอกอนุนเธอช่วยปูผ้าสังกัติให้เรานอนหน่อยร่างกายเรามันมันเหนื่อยมันไปไม่หลับไปไม่คล้อยมันต้องการขอพักผ่อนมันหิวน้ำไปหาน้ามาให้เราดื่มหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจของมุจะจอันนี้เป็นทุกขเวนาที่เกิดจากความแก่เรื่องความ ตามเจ็บไข้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนะบางคนอาจจะมากวิจะน้อยท่านหนึงบางคนก็มีโรคโรคน้อยนพอมีโรคป้าก็ตายเลยบางคนเป็นโรคเยอะรักษากันหายโรคนี้แล้วเดี๋ยวก็มีโรคใหม่โผลข่ขึ้นมาต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบอันนี้ก็ น, น่าเสียอันนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องของสภาวะของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ด้วยการดูแลเลี้ยดูร่างกายของแต่ละคนเนี้ยงดูไม่ดีเท่ากันก็ได้จึงทําให้เกิดโรคภัยต่างๆขึ้นส่วมากน้อยต่างกันหรืออาจจะเป็นวิบากของที่การได้ทําบาปมาในอดีตนั้นแม้่างน้อยไม่เท่ากันก็ได้ก็เลยทำให้ดางดีไม่พ้นดอกท่ากลรมเมื่อผูกอยไม่ว่าจะบรรลุเป็นพระหรหันล้วก็ตามก็ยังต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายมีทางเดียวท่านที่จะไม่เจอก็คือปียกรรมเมื่อเกิด วิธีจะเริ่มเริ่มที่ไหนก็เริ่มเริ่มปฏิบัติหรือศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทเจ้าให้เราปฏิบัติท่านศีลภาวนาเนี่เรื่อสละความสุขทางทางร่างกายทางตาหอจ้าบุญทางด้วยการการใช้เงิน ต, ต่างๆเอาเองินที่จะไปซื้อความสุขไปเอาไปทาําุญทำทานแล้วก็มารักษาศีลที่หน้าศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิ แม่ไปกับชาอีกแล้วครับ เ, เพื่อนๆต้องรอสักครู่นะครับเมื่อกี้เพื่อนๆมีคนถามว่าจะแอดไลน์เพื่อที่จะติดต่อขอหนังสือได้จากที่ใดนะครับก็แอดไลน์ที่ธรรมะหนึ่งหนึ่งสองนะครับธรรมะหนึ่งหนึ่งสองสกด d h a อ m, m a 112หนึ่งหนึ่งสองนะครับ ตามมาหนึ่งหนึ่งสองเขียนติดกันนะแอดไลน์ไปนะครับแล้วก็จะพี่ๆเขาก็จะให้ Google Forms มานะครับแล้วก็แล้วกรอกไปว่าอยากได้นังสือเล่มใดนะครับโอเคไฟมาแล้วนะครับอย่างงั้นเดี๋ยวผมขออ่านคำถามต่อนะครับ <Okay. S 1> กับเรียนถามพระ อ, อาจารย์ค่ะ ค, คำว่าหลงคือหลงเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นเรา ตัวเราถ้าพิจารณาที่ตรงที่สุดคือต้องพิจารณาว่าปัจจุบันตัวเรามาจากดินน้ำลมไฟใช่หรือไม่เจ้าคะใช่มันไม่มีตัวตวนในร่างกายนี้มันเป็นส่วนประกอบของน้ำลมไฟก็คําถามเรื่องดินน้ําลมไฟค่ัพระอาจารย์ครับว่าสุดท้ายแล้วเราพิจารณาตรงที่สุดคือพิจารณาว่าปัจจุบันตัวเรามาจากดินน้ําลมไฟใช่หรือไม่เจ้าคะโอเค ดังนั้นเรื่องดินน้ำลมไฟคือร่างกายของเราเนี่ยมันมันทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ใจที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้เป็นผมคิดว่ามันเป็นใจเป็นผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งของผู้รู้ผู้คิดถ้านนั่นเองนี่คือความหลงครับจากคุณเจริญได้ยินไหมคุณหมอได้ยินครับอาจารย์ครับคำถามถัดไปนะครับพระอาจารย์จากคุณเจริญครับกราดน้ำรสการเจ้าค่ะอยากทราบว่าขอบเขต ข, ของความสันโดษอยู่ตรงไหนเจ้าค่ะ อัลโหลขอบเขต้องอะไรนะของความสันโดดอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ครับความสันโดดครับก็มันเป็นเรื่องมัดจิ้มคืออยู่ที่ความสามารถของเราไงว่าเราจะสันโดดได้มากน้อยเพียงไรเออบางคนก็สามารถสันโดดได้มากบางคนก็สันโดดได้น้อยเราก็ทําตามกําลังของเราไปก่อนเหมือนยกยกของเของมันมีน้ําหนักซึ่งบางทีถ้ากําลังเราน้อยเราก็ยกของหนักได้น้อยถ้าเรามีกําลัง อาจารย์ครับเราจะนักยกของหนัก้เพื่อมากขึ้นครับลง ม, มาได้มากน้อยเท่าไรล้วก็ลดลงไปครับคำถามถัดไปนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามเรื่องนั่งภาวนาแล้วมักตกใจเสียงดังจากรอบข้างและในใจลึกๆรู้สึกกลัวผีจะแก้ไขอย่างไรครับรอยู่คนเดียว ที่เงียบๆเราก็เริ่มคิดปรุงแต่งว่าพอาจารย์ครับเสียงขาดไปแล้วครับได้ยินเสียงอะไรนิดนึเราก็ไปคิดว่าเป็นผีขึ้นมาความจริงมันเป็นความไอ้เวลาเกิดความกลัวผีเราให้พยายามบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงอะไรให้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆไปแล้ เ, เดี๋ยวพอใจสงบแล้วอาการกลัวก็จะหายไปครับครับพระอาจารย์คำนามถัดไปนะคะระับ ครับผมได้ยินอยู่ครับคำถามถัดไปนะครับพระอาจารย์ครับมีคืนหนึ่งไม่สบายเป็นจากแพ้ยามีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรติดที่คอคิดว่าตัวเองตายแน่เลยคืนนี้เลยพิจารณาว่าตัวเองเป็นอสุภะแล้วหลับไปประมาณสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาปรากฏว่าอาการทุกอย่างหายไปเป็นปกติแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมะโอสถใช่ไหมครับเมื่อกี้เสียงของคุณหมอขาดไปช่วงหนึ่งคุณหมอช่วยถางใหม่อีกครั้งหนึ่ง ค่ะพระอาจารย์ครับบอกว่ามีวันหนึ่งเหมือนมีอาการแพ้ยาหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกครับพระอาจารย์แล้วก็คิดว่าตายแน่ตอนนี้ตอนนั้นก็เลยพิจารณาว่าตัวเองเป็นอสุภะพอพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็หลับไปสองชั่วโมงแล้วตื่นมาเนี่ยอาการทุกอย่างหายเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าเป็นธรรมะโอสดใช่ไหมคะใช่คือเราปล่อยให้ร่างกายรักษาตัวเขาเองคือเราไม่ยุ่กับเขาเพราะว่าเราไม่รู้จะรักษาเขาได้อย่างไรเราก็เลยปล่อยวาง แล้วก็เผลอหลับไปแล้วร่างกายเมื่อมันได้พักผ่อนแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาของมันเองได้อันนี้ก็เป็นหลักของธรรมโอสฐ์คือเราอย่าไปยุ่กับมันมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปครับคําถามถัดมาครับบอกว่าการอยู่กับความว่างแบบไหนคือความว่างที่ถูกต้องในการปฏิบัติคะคือการไม่มีอะไรงไงอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นความว่างอย่าง ถ้าเราอยู่กับครอบครัวนี่มันก็ไม่ว่างมีคนมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วก็อยู่คนเดียวถ้าเราอยู่กับมือถือแล้วก็อย่าอย่ามีมือถืออยู่แบบไม่มีมือถือมันก็เป็นความว่างเราต้องลดสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยให้น้อยลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรนอกจากตัวเราคนเดียวครับบอกว่าหลังจากเห็นการสลัดคืนแล้วแต่กิเลสตัดไม่หมด ควรทำอย่างไรถึงจะก้าวหน้าคะโดยส่วนตัวคือปฏิบัติโดยการละ ก, กิเลสตามรู้ตามเห็นเพื่อให้กิเลสเบาบางลงค่ะก็ <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยวฟังความคำถามอีกครั้งหนึ่งไหคุณครูอา <c oughs> จารย์ครับ <c oughs> บอกว่าหลังจากเห็นการสลัดคืนแล้วท่านเขา ว, ว่าอย่างนี้นะคะเห็นการสลัดคืนแล้วแต่กิเลสตัดไม่หมดควรทําอย่างไรถึงจะก้าวหน้าครับก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นกําลังของเรายังมีน้อยอยู่ สเตปเพื่อให้สร้างอุเบกขาให้มากขึ้นเมื่อมีอุเบกขามากขึ้นแล้วมันก็จะตัดได้ง่ายขึ้นคำถามถัดมานะครับถ้าเวทนาเกิดมักในอริยสัจสี่ก็คือสักว่ารู้ใช่ไหมครับใช่ในที่สุดก็คือสักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเรายังสักแต่ว่ารู้ไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้ใจหยุดความอยากครับ ถ้ายังไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถที่จะสักแต่วรู้ได้ครับกัำถามถัดไปนะครับจิตรวมเป็นหนึ่งนี่คือเอกคัตาใช่ไหมครับใช่คำว่าเอกขัตาก็คือเป็นหนึ่งคือตอนนั้นขันคือรูปเสียงกลิ่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณระงับการทํางานชั่วคราว คำถามถัดไปนะครับพ่อแม่เคยฆ่าคนลูกชายบวชให้ลดล้างผลบาปการฆ่าคนได้ไหมคะไม่ได้หรอก ร, รมของใครทำไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของ ร, รมนั้นอาจาย์สักครู่นะครับหาคำถามนะครับได้อ่านหนังสือวิสัชนาธรรม คนโง่ฉลองวันเกิดคนฉลากฉลองวันไม่เกิดวันนี้วันเกิดก็ได้น้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติพาครอบครัวไปทําบุญกราบพ่อแม่ฟังธรรมคืนนี้จะนั่งเจริญสติครับมีทำข้อใดควรปฏิบัติเพิ่มเติมครับก็ปฏิบัติให้มากขึ้นตามกําลังของเราทําได้มากเท่าไหร่ก็ทําให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพอเราจะต้องทำให้มันครบร้อยมันถึงจะสามารถบรรลุถึงผลที่เราต้องการได้คือการไม่กลับมาเกิด การที่เราแบกแต่ภาระตลอดชีวิตนี้เป็นวิบากกรรมของเราแต่พบก่อนใช่ไหมคะและวิธีแก้หรือคิดอย่างไรจะไม่ทุกใจเราคะกลับขอบพระคุณคะ่ะก็ก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นวิบากของเราก็ก็ทาทำตามหน้าที่ของเราไปจนกว่ามันจะหมดเราก็จะไม่ค่อยทุกข์กับมันเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะไม่รับ รับวิบากกรรมันนี้มันก็จะทาให้เราใจใจเราทุกข์ถ้าเราต่อต้านเราก็อยากต่อต้านก็พยายามทําใจเฉยๆอยู่กับภาระวิบากของเราไปคําว่าอธิษฐานจิตภาวนาให้ลูกชายได้ลุกไ ด, ได้ได้บวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมเจ้าคะคือการการขออะไรนี่มันเป็นเพียงแต่เป็น ความคิดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงนี่มันเกิดจากการกระทำนั้นจะขอให้ลูกชายบวชเพื่อเสด็จเข้าพระศาสนาก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกชายเขาจะบวชหรือไม่บวชแล้วเขาจะศึกษาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเขาเราก็เพียงแต่มีความปรารถนาเท่านั้นเองแล้วความปรารถนานี่ไม่สามารถทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อยู่ที่การกระทํา ทที่จะําให้สิิ่่งงตาาๆเกดดขึ้้นมไสอบถามว่าขณะนั่งสมาธิชอบกลือน้ําลายตลอดแทบจะทุกสิบวินาทีต่อครั้งเลยค่ะแก้อย่างไรคะาะเราไม่คอยไม่มีสติพอที่จะให้อยู่กับลมและอยู่กับพุทโธจนลืมเรื่องของน้ําลายไปนั่นเองเราโมแต่คอยคิดถึงเรื่องน้ําลายอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทําให้เราต้องคอยเกลือนอยู่เรื่อยๆ ใ น, นวิธีแก่กคือต่อไปนี้ถ้ามันอยากจะเกลืนน้ํำลายก็บอกไม่ต้องเกลื่นนะถ้ามันน้ําลายมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลออกมาหน้าที่ของเราตอนนี้คือดูลมไปเรื่องพุโทโธไปเพีอย่างเดียวปล่อยเรื่องน้ําลายไปการรู้เห็นตามความเป็นจริงกับการเกิดปัญญามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับแล้วต่างอะไรกับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่ว่าทําอย่างนี้แล้วได้อันนั้นอันนี้คือเกิดปัญญาแล้วใช่หรือไม่ครับ คือปกติเรานี่เราจะอยู่กับความหลง่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงเป็นของเราจะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจลราเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆ่ามันไม่เที่ยงมันไม่สุขมันจะไม่ใช่เป็นของเราอังนั้นถึงจะเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงถ้าเรายังไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็ต้องอาสัยปัญญามาสอนเราให้เห็นตามความเป็นจริง เป็นร่างกายเราไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยืดไปติดมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายให้มันกลับเืินสู่สภาพเดิมคือดินน้าลมไฟไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงครับ จิตอยู่เหนือการเวลาจริงหรือเปล่าครับคือจิตมันไม่ได้อยู่กับการเวลาสิ่งที่อยู่กับการเวลาคือร่างกายจิตมันอยู่ในโลกที่ไม่มีการเวลาอย่โลกเทพนี่ไม่มีการเวลาการฝึกจิตโดยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ใจว่างงานเลยแวบออกไปคิดอย่างอื่นอีกถือว่าไม่ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะ แล้วจะแก้อย่างไรคะถ้าคิดถ้าคิดก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเป้าหมายคือให้หยุดคิดถ้ามันไปก็ต้องใช้คำบริกรรมดึงกลับมาถ้าเราดูร่างกายแล้วมันยังไม่สามารถหยุดให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอมันไปคิดแล้วก็ต้องใช้คำบริกรรมสวนกลับขึ้นมาด้วยคำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิด หากบรรลุโสดาบันแล้วว่ากันว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติจริงไหมครับคือการกลับมาเกิดนี่ของพระโสดาบันนี่อย่างมากคือไม่เกินเจ็ดชา ต, ติอาจจะไม่ถึงเจ็ดชาติก็ได้อาจจะแค่ชาติหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเไยก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติต่ตอไปจะ ก, กระทั่งถึงขั้นพออาาระอรหันต์ได้ แต่ความหมายก็คือว่าภูมิชาของพระอัาดาบันนี้มีมไม่มีไม่เกินเจ็ดชาท่านก็สามารถปฏิบัติถึงพระนิพพานได้ถ้าท่านยังไม่สามารถปฏิบัติถึงพระนิพพานได้ในภพนี้ชาตินี้ท่านก็จะไปต่อในชาติหน้าถ้าชาติหน้ายังไม่ไมถึงยังไม่ถึงก็ยังมีอีกหกชาติให้ท่านปฏิบัติท่าอีกห้าชาติให้ท่านปฏิบัติอยากขออนุญาตทราบบทแผ่เมตตาที่พระ อ, อาจารย์แนะนําครับ ก็เป็นบทที่สวยกันทั่วไปนี่แหละสัเพสสัตตาเรา ต, ตั้งหลายตั้งปวงอเวราหนตุจังไม่มีเวรกันเถิดอปยาปัชาหนตุยังไม่เบียดเบียนกันเถิด อ, อ, น, น, น, อ, อนิคาหนตุจังไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอาตานังปาริหารนตุยังมีสุขรักษาตนเถิดนี่คือคือบทบทแผ่เมตตาก็มีท่านนี้แหละ อยากให้พู้อาจารย์กล่าวถึงอุคหานิมิตกับปฏิภาคนิมิตที่เกิดจากการดูลมอานาปานสติครับคืออุกหาหนิมิตนี้คือนิมิตที่เกิดขึ้นมาเช่นตอนนั่งสมาธิไปแล้วเกิดเห็นกระดูขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทําำพอมันเกิดขึ้นมาข้างล่งนี้เราจะเรียกว่าอุกขานิมิตแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นปฏิภาคนิมิตเราก็ต้อง แยกแยะพิจารณากระดูกให้มันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเปนกระดูกเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องดูดถ้าเป็นโครงกระดูกมันก็ต้องดูดเป็นชิ้นเป็นอันแล้วผุพังไปกลายเป็นดินไปอันนี้ก็เรียกว่าปฏิพังนิมิน ผมทำงานในโรงพยาบาลครับการทำสติบางครั้งกับการทำงานที่ใช้ความคิดและการปฏิบัติงานที่ทำกับคนไข้ในโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรดีครับคือการเจริญสติในช่วงทำงานนี้ก็ยังหยุดความคิดไป็ได้ทำได้ก็เพือให้มันควบคุมให้มันจิตคิดอยู่ในกรอบของการทำงานอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด แล้วก็ถ้าเราทำงานกับผู้ป่วยนี่เราก็ต้องคิดด้วยความเมตตาด้วยความกัมมุนาและอุเบกขาถ้าเราไม่สามารถที่จะเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยและอย่าไปทุกข์กับการที่เราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้นีคือต้องคิดด้วยด้วยด้วยผมไมวิหารสีนี่ถ้าเขาหายเราก็แสดงความดีดีใจไปกับเขา เขาก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการรักษาแล้วก็ช่วยรักษาไปแต่ถ้ารักษาไม่หายเขาตายไปก็ต้องใช้อุเบกขาไปครับทำอย่างไรจะตัดการมาราคะได้อย่างเด็ดขาดเจ้าคะต้องเห็นนั่งกายเป็นดัสุภาตลอดเวลาใจชอบตกลงไปเศร้าหมองควรทาอย่างไรเจ้าคะ เพราะขาดสติไงพยายามใช้จะสร้างสติกับขึ้นหนึ่งจิตกับขึ้นมาได้พอเศร้าหมองก็บริกา ร, รพุโทโธพุทโธไปสวดบนไปแต่ต้องทำนานหน่อยนะไม่ใช่ทำแค่คำสองคาแล้วจะทำให้มันหายเศร้าหมองอาจจะต้องใช้เป็นเวลาอาจจะครึ่ชงชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงก็ทำไปแล้วแต่ว่ามันจะหายเมื่อไหร่ก็ค่อยหยุดถ้ายังไม่หายเศร้าหมองก็สวดไปเรือบริการพุโทโธไปอยู่เรื่อย พระอาจารย์คําถามสุดท้ายครับหนูต้องทํายังไงถึงจะหยุดจิตที่ส่งออกอยู่ตลอดเวลาได้พอนั่งสมาธิมันก็จะคิดตลอดเลยค่ะก็ต้องฝึกสติมาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ควบคุมความคิดด้วยพุโทโธพุโทโธไปเลยหรือถ้าเราทําอะไรก็บังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทําอยู่กําลังแปลงฟันก็ให้อยู่การแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้า ถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ไว้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เราให้มันอยู่อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธไดค้ครับพระอาจารย์ครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณความเมตตาพระอาจารย์มากเลยครับแม้จะมีปัญหาเยอะแยะแต่พระอาจารย์ยังเมตตามีเพื่อนๆฟังอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบหกคนนะครับพระอาจารย์ครับโอเคตอนนี้ในห้องเรานี่มืดสนิทเลยไฟไม่มีแม้แต่ ไม่ประโยชน์เดีย ว, ว อ, อาศัยไฟมือถือนี่นิดหน่อยครับแต่ก็ยังโชคดีที่วันนี้ชาติแบบไม่เต็มที่หน่อยก็เลยยัยงสามารถติดต่อกันได้ก็เขาต้องขอข อ, ขอภัยท่านผู้ฟังด้วยนะว่ามีอุปสรรคต่ตางๆ น, น, นะครับมันก็เป็นเรื่องแครสุดวิสัยจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นไฟมันดับนี่มันก็จบแต่ว่าเรายังมีไฟจากแบตเตอรี่ไฟจากมือถือ ที่พอที่จะทำให้เราได้สามารถติดต่อกันใจกระทั่งครบเวลาก็าหวังว่าโอกาสหน้าคงยังไม่เป็นอย่างนี้อีกแต่ถ้าเป็นก็ต้องยอมรับสภาพแต่เราก็พยายามทาให้มันดีที่สุดก็แล้วกันถ้คิดว่าเวลาสมควรกับเวลาที่จะต้องลาจากท่านไปก็ขอให้ท่านจรงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิ์พิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธิสาธุอขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ไปเพียงทาง่านนี้แล้วก็ถ้าไม่มีอุปสรรคอนไดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมครับกับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตานะครับเจริญพรครับ